เราก็ฟังเทศฟังธรรมกันต่อหลังจากที่ธรรมจาวจบลงเรามาปฏิบัติธรรมกันก็คือการกลับมาศึกษากายศึกษาใจของเราความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมด า, ามารลักษณะ เหมือนกันทุกคนนะมันมีอยู่กายของเราก็เป็นก้อนธาตุอาการ32ที่เมื่อกี้เราสวดกันนั่นแหละตับไตไส้ปอดเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีสมองมือสมองเรามีกันหลักการแพทย์กระ้หจัดวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ำหนักสมองใครว่าวิยา ผู้ยญิง 1,125 กรัมถึง 1,300 กรัมส่วนผู้ชายนโตหน่อย 1,600 กรัมเกิดจากการใช้งานฝึกฝนบ่อยๆคือมีความชำนาญเฉพาะเรื่องเฉพาะแด้นอันนี้เราก็เลี้ยงดูค่าปลาอาหารปัจจัยส เอาสตางเอาเงินไปซื้อจนเกิดความสะดวกส่วนจิตใจของเรานามธาตตัวนี้เป็นนามธรรมก็มีกิเลสตันห้ากิเลสพันห้าตันห้าร้อยแปดเป็นแหล่งความหลงความกดความหลงความสุขความทุกข์เกิดจาก ความคิดนีอันนี้เราต้องดูแลรักษากันโดยการเจริญสติฝึกสติให้มีสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องของชีวิตทุกๆชีวิตที่ต้องหันกลับมาไม่งั้นมันดูร้ายไอ้จิตแพทย์เนี่เรามัจะดูร้ายเป็นพิษเป็นภัยเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น อยู่สังคมก็วุ่นวายสับสนทีเดียวเรียกว่าพยศ ท, พทําบาปได้กายวาจาใจเป็นของเถื่อนเราต้องฝึกให้อยู่ในร่องในรอยของบุญของความดีอยู่ในกระแสทางเดินของมรรคผลนิพพานจนเกิดันที่สุขสนิพพาน ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็มหมายถึงว่าเวลากินก็กินได้ถึงเวลานอนก็นอนหลับเวลาก่ายก็ถ่ายสะดวกจะนั่งเดินยือนนอนอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยเหลือพระอริยะถึงก้นใช้ชีวิตอย่างผาสุก เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เราต้องฝึกหัดศึกษากันกายของเราฟางศอกยาวาหนาคือมหาปุทารูปแต่จิตของเราเนี่ยมันเป็นอุปทานอุปทายรูปเป็นรูปของอุปทานไปยึดไปถืออะไรครับมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเป็นจริตนิสัยโมหะจริตโตสาจริโตโลภะจริต ที่ใหมีความสุขสารเอนโดฟินกระหลังนั่งสมาธิให้มีความสุขสารเอนโดฟินกระหลังไปติดสิ่งเสีพติดเข้ากระตุน้นปุกเล่ามอร์ฟีนเฮโรอีนเล่าบุหรี่ตัวกระตุ้นให้สารเอนโดฟินหลังเมื่อเว็นหลักวิชานี่แหละเครียดมากๆโมหัวมากๆตาเขียวเดีเ่ยวโชคหัวตัเองเครียด สารคอติซอลมกระลังอะดรีนาลี น, นกระลังมันก็เป็นสารบวกสารลบในตัวเราเนี่ยแหละไม่อยากกรอดก็กรอดก็เล่นนหลังสารจนเป็นนิสัยคนที่ทาบุญมีความสุขหลังสารเอนโดฟินจําเป็นนิสัยแต่บางคนก็กระตุ้นแบบมักง่าย ติถึงเสียบติด ต, ต่างที่เขาย่ยุ่ชว น, นปลุกแล้วชี้นำสร้างกระแสจนตกลงไปในหลุมในล่องในลมของความทุกข์ท้ายสุดผเสบจึงติดผติดจึงอยากอยากจึงแสบผเ ส, บ, เสบจึงติดเนี่ยก็แตกต่างกันไปบางคนก็ติดในรูปตัวภาพลาโมออนอาจารย์ต่างๆติดในรูป ติดในเสียงติดในรถเป็ดจัดเปี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดติดในรสชาติลิ้นคิดมากกินจุกจ ก, จกินจุกกินจิกเครียดมากกินรถจัดตายสุดก็เข้าโรงพยาบาลหาหมอเป็นผลพวงจากกันที่เรารู้ไม่เท่าทันกายแล้วก็ใจของเรา เรจึงต้องมาฝึกเขานี่แหละให้อยู่กับปัจจุบันการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะนะไม่ว่าจะเป็นอาณาปณิติมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่เว้นก็ว่ามันเกิดความเป็นเอียงขึ้นมาตัง้งแต่เกิดเราก็หายใจใอยู่หายใจคิดอะไรก็ได้หายใจขณะที่นอนหลับหายใจขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อน ขณะโกรธจัดๆกะหายใจแต่ทดลองยกมือนั่งสร้างจัวะเจตนายกมือเลยนี่ก็คิดมันก็เผลอไปแล้วล่ะยกมือข้างบางง่วงนี่สับประกยกมือไม่ขึ้นเปรียอ่อนละเปรียหมดเรี่ยวหมดแรงนี่เราก็ ก, การฝึกเรารู้สึกตัวก็จะมีปฏิกิริยาการ ที่เคยจินแล้วก็ไหลไปตามความเคยจินเราก็ฝึกตัวแล้วต ว, ว, วนอีกรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอีกกระทบสัมผัสกลับมาปฏิบัติทำปฏิบัติทำกรรมฐาธรรมชาติที่เราตั้งเอาไว้ที่ฐานฐานกายโดยเฉพาะในรูปแบบการยกมือสิบสี่เชิงวานีิลา ว, วันแนวเควลื่อนไหวหลวงปู่เทียนเกี่ยวพอ๊ะทันได้นปฏิบัติแล้วก็ได้ผลมาแล้วนะ ครูอาจารย์ต่างๆท่านเป็นบัตรท่านก็ได้ผลมาแล้วท่านก็นมาบอกต่อกันเป็นลษณะของภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้นโชนคนรุ่นหลังนะได้มีช่องทางทางออกออกจากปัญหามันมีปัญหามันต้องมีทางออกปัญหาทุกปัญหามีวิธีแก่มันก็ไปได้จนใจทั้งนาะที่ว่า ไม่เคยมีคนที่เขาออกจากทางนี้มาก่อนปัญหาต่างๆมันถูกทะลุทะลวงแล้วก็แยกย่อยแล้งทำให้เราเห็นว่าอจุดหมายแปลทา ง, งชีวิตเราเนะี่ยมันเป็นความผาสุกจริงๆเป็นสุขเสแสามจากมีกายมีใจเนี่ยละ่ะเป็นความสําเร็จนอย่างน้นอยก็มีความสําเร็จได้เกิดเราแป็นนะสําเร็จไหมแทนที่จะเป็นมดปลวกเป็นตุนักเป็นแมว เป็นเก่งควางบางช้างชนีต่างๆแต่มันเกิดเป็นมนุษย์จะไหนล่างเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์อยู่โลกนเนาะเกิดประเทศไทยหาที่ไหนได้อาหารั่างๆเจะาลัดใต้กินได้24ชัว่วโมงเป็นนาของประเทศที่มามีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ตัญญาหารเราจะประมาทอยู่ไปทำไม หาอยู่หากินหานอนแค่นั้นไม่พอหรอกมันมีพระศาสนาให้เราได้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองคืินสู่ธรรมชาตินั่งเป็นนั่นยืนเป็นยืนรับประทานเป็ น, นรับประทานขับถ่ายเป็นขับถ่ายมันเป็นสันติสุขเลยการที่เรารู้นั่งเดินยืนนอนมันไม่เคยรู้มาก่อนนั่งมันก็คิดไปข้างนอก ปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บโรคฉลาโรคเบาหวานโรคไขมันเกินโรค ก, กระดูกโรคข้อโรคเลือดลังสารพัดคิดจนวิตกกังวลเป็นโรคจิโตโรคาระสาเรานั่งรู้ว่านั่งมันคิดไปก็ตัดกลับมามันเดิ น, นรั้วเดินคิดไปก็ตัดกลับมา รู้สึกตัวการฝึกการหัดทำดูเราเราจะได้อิสระภาพชีวิตหายสงสัยคำตอบศาส น, นาสอนเรื่องอะไรมันไม่สงสัยเลยมีคำบอกคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆแต่นี้สื่อมีเยอะคำเทศคำสอนลอยอยู่กลางอากาศเรามีเครื่องรับดูใหโฟนห้าโ o นสี่โซนสาม อินเทอร์เน็ตลองกดดูตรงไหนไม่คลื่นธรรมดาบ้าง 3G บ้างมันจะลอยก็มาเลยนีพลังของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณความดีความชั่วท่าต่างๆที่เป็นความแตกต่างที่สมทุนมีอยู่แล้วให้เราเลือกมันก็ทำมาในตัวเราแปดหมือนตีพันธรมคันมัมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยหันกลับมาดูกาใ้ใจของเรา มันมีพลังอยู่พลังของกรรมพฤติกรรมต่างๆมนโกรรมมนกรรมวิีกรรมกายกรรมมันเป็นวิบากเป็นอนิสงส์อยู่ตลอดเวลาความชั่ว เ, เคยทำความดีก็มีอยู่เราก็ฝึกให้มนเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติไม่ให้มันมีผลแวงกัดเหล่ามันยาพิษหนึ่งแก้วใส่น้ำกินแล้วตาย มันความชั่วถ้าถ้ามีน้ำสักแม่น้ำมหาสมุทรหรือ ว, ว่าทั้งโองมันกินแล้วไม่ตายแต่ยาพิษก็ยังมีอยู่ฉันใดก็ดีความรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใจไปมากเท่าไหร่ชีวิตของเราพ้นอันตรายมากตอนนั้นคำดีคำชั่วคิดดีพูดดีคิดชั่วพูดชั่วพอเราใส่ความรู้สึกตัวก็เป็นก็ละลาย เมื่ออะไรที่เร้สึกตัวหมดกรรมก็เล่นงานอีกเหมือนเดิมเพราะนั้นตเมโสปุเพย์กตายเหตุสุขทุกขังนี้กัจะติโปลานกังกระตังปาปาังตเมมรถเจนงังขณะนี้ไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์โดเหที่เคยทําบุญทําบาปมาก่อนเมื่อเรารู้สึกตัวก็ชื่อว่าเรากําลังใช้หนี้ชนิดหนี้กรรมของเรา เวลาปฏิบัติเขาจะมีความคิดดีพูดดีทําดีโปรมาเราทํากับใครใครทำกับเราเวลาคิดช่วยพูดชั่ ว, วทําช่วยมันก็โปรมาเราเคยทำกับใครใครเคยทากับเราเรื่องราวต่างๆมันประทับไว้ในบัญชีนังมานบัญชีแผ่นทองคําก็คือภายในจิตใจของเราความทรงจำด้วยสมองก็จะจดจําแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวมันจะดึงกัน กระโดดไปกระโดดมารู้สึกตัวกระโดดมาทํามาที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวมันก็ไปหาสัญชาตญาณเคยทําอะไรไว้ในจิตในใจของเราก็ปลดปล่อยออกมาพอตายคิดถึงพ่อแม่ตายคิดถึงแม่พัดพลากคิดถึงการพัดพลากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็คิดถึงนะ สิ่งที่เราต้องการหวยหาหิวอยากได้ก็ยังหยิบตาไหร่มันก็ไม่ถึงสั่นเลึกเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้แล้วจะได้แล้วท้ายสุดจับเงาตัวเองมันก็จึงจำเป็นต้องยอ่ยอย่อย่อลงมาหยุดซะกันมาทุกทวนใหม่ชีวิตเดี๋ยวเธอมันจะมีพลัง ถ้าม so ียานกันมันก็ดอดจีบถึงเลยเพราะมีคําพูดอยู่แล้วสีเลสุกติงยันติสีเลสุปกัสสัมปทานสีเลนะนี่พุติยันติดสัจมาทิลาวิโสทะเยสีนี่นาสุขมาให้สีนําพกติมาให้สีลนําความเย็นมาให้ศีนคือปกติปกติก็คือความรู้สึกตัวทุกข์กลางจิตก็ปกติจิตที่ไม่ปกติคือจิตสุขจิตทุกข์เป็นจิตที่หิวโหยขาดแคลนเกิดแห้ง ไม่มีกำลังใจอันนี้มันจิตที่อบอุ่นสีนะาทำให้จิตอบอุ่นทำให้จิตตั้งมั่นมั่นคงมีพลังเกิดไว้พิปฏิพานขึ้นมาเป็นภูมิปัญญาต่างๆที่มันแสดงออกมาพ้นปัญหาทั้งปวงเหิวก็ไปหากินซะปวดปสวัสสาวะก็เดินไปเข้าห้องน้ำซะเวลาจะทนก็ทน เวลาต้องให้อภัยก็ให้อภัยปีใหม่ปีน้าสิ่งที่ให้ที่ดีที่สุดคือให้อภัยกันถ้าจะขอนะขออะไรไม่ดีหรอกขอก็ติดขออยู่ขอยาขออาหารขอผ้าขอที่อยู่อาศัยอันนั้นมันเป็นเรื่องของการหวิวโหยการขาดแคลนเพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องข อ, อกัน ขอที่ดีสุดคือขอโทษขอโทษนะเคยคิดเคยพูดเคยทำอะไรไว้อย่าถือสาหาความขอโทษอภัยให้ด้วยตัให้อภัยกันก็จึงมีคำปรนน่าก่อนอภกรรษาเนี่ยจะมีมหาปรนนาเป็นเรื่องของการปรนนากันไว้ปรับหนาดีเป็นกระเลมิตรหมายถึงหน้ารักหน้าลบหน้ายกย่อง อดทนต่อกันชี้แจงได้ยอย่างลึกซึ้งและที่สนกันก็คือไม่พาไม่ชักจูงกันไปทางที่เสื่อมขนาดหมายถึงการบอกกันชี้การแนะนำกันเป็นกราหมตดเคยได้ยินได้ฟังมาว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มาถามกัน จริงหรือเปล่าใช่ไหมก็จะได้มีคำตอบแบบตรงไปตรงมาว่าใช่หรือไม่ใช่เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายความกันแล้วก็สบสพษาว่ามใช่หรือไม่เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรมากมายเหลือเกินที่มันส ม, มติรั์บัรยากิขึ้นมาเพื่อเกิดความเข้าอกเข้าใจมนุษย์สองคนอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องมีความยุติธรรมมีระเบียบ ม, มีวินัยต่างๆเพื่อเกิดข้อยุติยุติด้วยธรรมเรากับตัวเองก็เหมือนกันบางทีความคิดของเรามันก็ทะเลาะกับตัวมันเองเคยไหมเคยทะเลาะกับตัวเองไหมอันนี้ก็ต้องเกิดความยุติธรรมเหมือนกันยุติด้วยธรรมจิตของเราต้องหยุดนถึงจะมีพลังมีกําลังใจแล้วกเกิดปัญญาขึ้นมาต้องหยุด หยุดคิดหยุดใข้ครวนแต่ร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหวถึงจะมีพลังหยุดก็คือเอามาเพิกเอามาแพทย์นอนเมบอยู่บนเตียงก็เตรียงตัวตายอย่างเดียวร่างกายของเราต้องเรียกว่าออกกําลังกายอยู่เสมอการเกง่งการคลายการตึงการหยุ่ดเดินไปเดินมากู้เหยียดเลื่อนไหวบนนะั โดยเพราหลวงพ่อเพียงท่นแนะนําให้แข่งแขนไหลเว็นจุดศูนย์รวมประสาทมากมายเหลือเกินเราก็ได้รู้ได้ยินได้ฟังแต่การเอามาทำเนี่ยน้อมเอามาทําหรือยังจิตของเราจะหยุดคิดได้กลับมารู้สึกตัวนี้หลวงพ่อเพียงได้ชี้บอกไว้การหยุดคิดก็หมายถึงว่าสัมผสัสรู้ที่กายจิต ท, ทํางานได้ทีละขณะมันก็ส้องัผรู้ที่กาย ก็มาได้คิดไปไหนคิดแล้วดีใจคิดแล้วเสียใจคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์คิดเป็นอดีตคิดเป็นอนะคาคตมันหยุดอยู่ที่ปัจจุบันมันเรียนรู้รับรู้ก็เป็นปัจจุบันการอา่านหนังสือต ำ, ตำราตำรานิติศาสตร์ดาราศาสตร์มายาวิชายยุทธสงครามวิชาสังฆาวิชาศุนทรวัวหาร วิชาคอมพิวเตอร์วิชาวิศวกรรมสถาปัตยกรรมนวัตกรรมต่างๆกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมปฏิมากรรมจิตกรรมอันนั้นเป็นอาหารของสมองเวทสังคมชุมชนเป็นสังคมที่กลับมาแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันยุคนี้ยุครัตนากสินสองร0กว่าปี มันก็เหมือนกับว่าทุกคนมีสละมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะคิดจะพูดจะทํามีสละมากขึ้นโดยใช้หลักของกฎหมายมาเป็นตัวคุมอีกทีนึงใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวคุมอีกทีหนึง่งให้ย้อน น, นึกถึงสุขโขทย700ัยเจ็ดร้อยปีใครแค่ค้าขาใครแค่ขายขายใครก็ทําอะไรก็ทํำแต่ว่าลมสลายไปแล้วยุคสุขโขทยัยของเราแล้วนะกลัวสินก็ประมาทกันไม่ได้นะ ถ้าขาดศีขาดธรรมปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวไม่รู้จั ก, กนั่นหมายถึงว่าคนประมาณหกสิบเจดล้านคนในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมันก็ยังมีแต่เรื่องความคิดที่จะรวมหัวกันคิดนั่นคิดนี่คิดนู่ น, น, น, นเพื่อผลประโยชน์แล้วท้ายสุดก็คือตีกันกระล่สลายลกกรัตนโกสินทร์ มันจะกี่ปีเจ้วถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลธรรมไม่กลับมาโลกากระบิณาสอันนี้ก็อุปมาอุปไมยโยงกลับมหาตัวเรากับตัวเรานี่แหละทั้งร่างกายของเราธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมประชุมก็ไม่พอดีแตกสลายเหมือนกันมันก็ต้องสามัคคีกันปรับตัวแต่พอดีท่านั่งท่าเดินท่ายืนท่านอนเนี่ยแต่พอดีภาษาศาสนาเรียกว่าสุขาวิปัสสโก การกลับมาดูแลกายให้มีความสุขจิตใจของเราปฏิบัติง่ายๆให้ผลอย่างเลื่สุขฐานวิปสัสสโคเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวทํางานทําการทําหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวตัวเนีนเป็นเรื่องที่เราทุกคนทําได้ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ทําได้ทุกคนเพียงแค่ว่าเราน้อมก็มาใส่ตนหรืออย่างในรูปแบบสิบสี่จังหวะนี้ง่ายๆเลย ในนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยฝึกหัดจิตรูปแบบ14ชจังหวะเดี๋ยวนี้แพร่หลายมากมีวัดอยู่ประมาณ140นะร้0ยสี่วัดที่บปรวัดแบบนี้แบบออกหน้าออกตาหรืว่ามีพวกวัดต่างๆสถานธรรมต่างๆที่อาศัยรูปแบบในการฝึกหัดคนจะวิธีการใดก็ได้ที่มีอยู่ในเมืองไทยเอาเข้าไปแล้วก็ฝึกหัดกันวิธีการนี้เป็นหนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแผ่ได้ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับกันทั่วๆไปปัญญาชนมหาเทระจะมาค็เห็นว่าเออมันถูกต้องสอนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันทุกรสได้จริงกับบัญญัติเอาไว้หรือว่าคนหมูมากก็เรียกร้องกันบอกว่ามันจริงนะปฏิบัติแล้วมันหายเครียดจริงนะอย่างเช่นว่าประเทศจีนมีอยู่คนนึงเป็นด็อกเตอร์สอนทางด้านคอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์กับโรคจิตโรคประสาทนะ เสร็จแล้วก็ไปหาหมอแก้ก็ไม่ได้แก้อย่างไรแก้ไม่ได้เจรจาออกจากงานเสร็จแล้วก็อยู่บ้านเล่นอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชนะกูเกิลเจอวิธีปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนเขาให้มันมีวิธีการอย่างนี้เด้อพลิกมือตั้งขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัวโดยระวังที่จะเดือรู้สึกตัวพลิกมาซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวมอทับหลังมือขวารู้สึกตัวอ่ามือขวาก็มาที่ อ, อกรู้สึกตัว ขนาเคลื่อนไงรู้สึกตัวขนาดหยุดไงรู้สึกตัวเป็นจังหวะออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้รู้สึกตัวกว้างลงรู้สึกตัวมือซ้ายขึ้นมาที่ออกรู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัวตั้งไว้รู้สึกตัวกว้างลงรู้สึกตัวเป็นจังหวะรวมทั้งจังหวะต้นเป็นสิบห้าจังหวะเนี้ยก็ลองฝึกดูเดือนเดียวปรากฏว่าหายจากโรคกินโรคประสาทเลยไม่ต้องไปกินยาเลยจนทั้งก่อตัวขึ้นมาปฏิบัติธรรมกันไป มันทนนี้บ้างมันท น, นโน้นบ้างจนกระทั้งนิมนต์พระประเทศไทยไปหลวงพ่อคำแก่นท่านไปตอนหลังท่านไปอาจารย์โนตตอนหลังให้อาจารย์โนตไปจนเดือนนี้จะไปทั่วเมืองจีนแล้วเดือนนี้ก็ไปกับอาจารย์นาเนกเองปรกากฏมาได้ผลขึ้นมาโยมไม่ต้องไปคิดเลยมากเลยของที่เขามีอย อ, อยู่ก็รับรองอยู่ลงมือทาไปเลยไปสงสัยอะไรกันหนนาจะโง่อีกกี่พวกกี่ชาติ จะไรู้ได้ยงไงนะประมาณปรุงนี้อาจจะตายก็ได้มันกะเสียชาติมีวิสัยทนาแล้วก็ไม่ได้สัมผัสริมรถของพระธรรมนะธรรมรถที่เกิดจากจิตปกติตรงนีนะ้มันจะเป็นคนฉลาดเฉลียวทีเดียวนงะอยู่ในโลกเนี่ยใบพิบัติภาณนะรอบตัวทีเดียวนะให้เขาวิ่งไปก่อนเราจะหยุดดูอยู่ดี น, นะแล้วก็เดินอย่างมั่นคงทีละก้าวทีละก้ายังปลอดภยัยอย่างนี้หรืออีกกรณีหนึ่งนะ คนนี้ก็เป็นคนที่เราก็ติดต่อได้ทันทีเดี๋ยวนี้คนนี้เขาอกหักเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องความรู้สึกตัวอะไรหรอกเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ไปหลงรักหญิงสาวอยู่คนหนึ่งแต่ค้าไม่เอาด้วยนะไม่ชอบก็อกหักติดอิดนี้เสีย อ, อกเสียใจเรียนไม่ได้เลยะเสียผู้เสียคนไปก็ไปหาหมอจนั้งเจอหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยชื่อหมอวันลบอ่ะนะ อยู่สอนสอนอยู่ที่มสววสารมิตรนเป็นหมอที่เก่งคนเนี้ยประเทศไทยเวลามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาหมอคนนี้ต้องจัดการเกิดสึนามิขึ้นมาหมอคนนี้ต้องไปบําบัดทางจิตรัวตํารวจทั้งหลายทั้งปวงเครียดทํางานหนักอ้วนไปนลอกอ้วนต่างๆเครียดไม่รู้จะทำยังไงปัญหาภาคใต้ปัญหาคนไทยตีกัน ร, รัวตํารวจเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เชื่อ <c oughs> เห็นเครื่องแบบก็ไปแย่งปืนยิงตายเลย ไปทํางานตะลอนไม่รู้จะเจออะไรเครียดกันหมอบรรลพบก็จึงพาตํารวจทั้งหลายทั้งปวงเนีเจริญสติทีนี้ลักษณะของคนที่ว่าเขาก็พยายามที่จะรักษาตัวเองไปหาหมอบรรลพบหมอจ่ายยาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีคนเนี้ยก็จึงไปหาหลวงปู่เทียนตอนนั้นหลวงปู่เทียนอยู่ที่วัสนามในอยู่ที่กรุงเทพเสร็จแล้วท่านก็ พายกมือสิบสี่จังหวะก็ทําตามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนพา ท, ทําไม่ทลัยเลยปรากฏว่าหายป่วยทางจิตเนี่ยนะก็ไปหาหมอรบพีหมอรบไปถามไม่ทำอะไรมาไปทําอะไรมาเนี่ยก็อกไปหาหลวงปู่หลวงปู่เขสอนให้อาจารย์รบจึงไปหาหลวงปู่เทียนแค่ทั้งเดียวนี้นะหมอจิตวิทยาแต่ว่านะใช้แล้วหนาของ วิชากรรมาฐานทางตะวันออกนะไม่ได้ใช้จิตวิทาทางตะวันตกร้อยเปอเซนต์ให้คนเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเข้าไว้รู้สึกตัวเข้าไว้ออกมาจากความคิดทุกชนิดเลยเพราะถ้มันออกมาเนี่ยนะอันตรายมากเลยความคิดทําให้เป็น โ, นโรคจิตโรคประสาทมากมายก่อกวนสังคมวุ่นไวายไปหมดสารพัดสารพันเรียกร้องบางทีก็ส่งเสียงดังสารพัดที่จะส่งออกมา บางคนก็ส่งเสียงว่าเขาจะฆ่าผมเขาจะฆ่าผมเขาจะฆ่าผมบางคนก็เป็น โ, กกนโรคจิตวิสัยบอกว่าเมียผมมีชู้เมียผมมีชู้ไปบอกชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนีความคิดตัวเองขึ้นไปยอดตึกพวงหลาวก็โดดมาตายเป็นอย่างนี้ก็ไหลศพแล้วมันจิตของเราในเป็นภัยร้ายในตัวเป็นอันตรายมากๆเลยที่คนอื่นไม่ได้ทำร้ายเราหรอกแต่ตัวเองทำร้ายตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดเจ้าของอย่างเงี้ย น, นะมรรคผลนิพพานก็ไม่รู้ เพราะอะไรไม่เคยออกจากความคิดมาดูมันมันยืนดูคลื่ น, นที่ใช้ยฝั่งปัญหาต่างๆเกิดจากระบบความคิดของเราที่คิดไม่ถูกทั้งนั้นเลยถ้าคิดถูกไม่ทุกแม้ทั้งเรื่องร้ายๆก็เป็นเรื่องดี mm hmm. คิดไม่ถูกก็พาตัวเองไปตายอย่างเช่นว่าหลังวัดเนี่ยนะจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราแ ล, แล้วเขาสอนเราได้ดีเหลือเกินเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจบเภสัชจิตกรที่มออ เป็นสาวหน้าตาดีแต่ว่าพ่ายแพ้ความรักจบมาไปทำงานปรากฏว่าผู้ชายที่คิดจะแต่งงานด้วยกั น, นก็ไปแต่งงานใหม่ตัวเองก็อกหกักอกหักรักหายเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเก็บเนื้อเก็บตัวไม่บอกใครเลยนะ <c oughs> พอก็ไม่บอกแม่ก็ไม่บอก <c oughs> ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงไม่มีการปลีปากออกมาแม้แต่คำเดียวบ่ทุกเรื่องอะไร ไทยสุดหมกมุ่นนะอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นโรคเศร้าซึมเนี่ยทีนี้แล้วก็ไปล้วงระ ล, ลึกเอายามาฆ่าตัวตายได้สำเร็จในฐานะที่จบเพรสันอย่างนี้มันโง่เกินไปโง่หลงงมงายมาทำให้ตัวเองและพวกอื่นเดือดร้อนเราก็จึงใช้กายใช้ใจที่เหลืออยู่ของเราชีวิตชีวาที่มันมีอยู่ ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้ยินได้ฟังเรื่องการฝึกเจริญสติปาตฐานสูตรเราก็มีหลายวิธีเรามาที่นี่คือแนวเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดอันนี้เป็นคําพูดของหลวงปู่เทียนเราก็น้องเข้ามาฝึกหัดดูทนจริงเป็นสัจธรรมที่ไม่โกหกไม่หลอกลวงกันแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็คือจิตใจมันสะอาสว่างสงบขึ้นมาตรงนี้แหละมันจะออกจากความทุกข์ เจิตเราสะอาดสว่างสงบก็เห็นในความมืดมองอะไรไม่เห็นในความสว่างก็เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นไม่กระทังบุญไม่กระทังบากเห็นทางเดินสู่มรรคผลนิพพานของเราเนี่ยเราก็จึงเนียเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญได้ทําด้วยกันก่อนแล้วเราก็ต่อยอดมิวสลแต่แลรากนะ็จิตฉลาดขึ้นมารู้สึกตัวแต่แลนะขณะแต่และขณะเราก็สั่งสมยังกระทั่งเป็นมหาสติปัฏฐานสุด มหาสติก็คือมันใหญ่มากสติมันมีมากมายแล้วมันใช้อะไรก็ไม่หมดเกนะิดกลไกที่มันทํางานด้วยตัวของมันเองเต็มรอบมีสติเห็นกายในกายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขามีสติเห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์เนไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาะเดิมแท้มเป็นเวทนาบริสุทธิ์แต่มีความคิดปรุงแต่งเปลือยลงไปเป็นสุขเป็นทุกข์ทันทนะีเห็นจิตนะ จิตเดิมแท้พระสอนบองใส่เห็นจิตในจิตก็คือมันคิดมันปลอมลงไปอาการต่างๆเกิดขึ้นในจิตอัะไรเป็นสมมุติทั้งหมดแต่เราเห็นมันด้วยตาในด้วยตาสติมันก็เห็นเป็นปรามัดพระปรามัดฐาสภาวธรรมไอ้ตัวนี้ก็ทําให้เราเดินทางทันทีเห็นธรรมชาติเกิดการแยกแยะภายในจิตของเราคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลมัร่องรอยของปกติเป็นความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยพอเห็น ทำในธรรมทำไม่ใช่เราไม่ใช่ัต์ตัวตนบุคคลเราเขาท่างหลายทั้งปวงจะได้คําตอบในความรู้สึกตัวมันก็จะมีความบ้างในความรู้สึกตัวก็จะมีการปล่อยวางในความรู้สึกตัวจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ที่เดินทางสู่การพ้นทุกข์นะแต่เราจะรู้สึกตัวได้เราก็ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดก็คือผลิตมันขึ้นมาหยอบหยา บ, ยาบเดินจงกล ม, มนั่งสร้างจังหวะตรงนี้ก็พูดแล้วพูดอีกนะ แต่ก็มีคนใหม่มาก็จําเป็นล่ะที่ต้องพูดแล้วพูดอีกให้คนได้ยินได้ฟังอย้ได้ตื่นตัวไม่ใช่ตื่นตะนกตกใจหรือว่าตื่นบทกิเลสมันตื่นทุกตื่นทุกทุ ก, ทกครั้งที่เห็นจิตของเรามันมีภาละขึ้นมาแบ่งความคิดอารมณ์ต่างๆมันจะได้นะรู้จักสลัดหลุดนสลัดคืนทุกกายไปหากายทุกจิตไปหาจิตภาวะของที่มันบริสุทธิ์มันก็มีอยู่เย นันละก็คือที่พักคือบ้านของจิตที่เราจะต้องอาศัยมัน่ทต้งลมหายใจสุดท้ายก่อนใจจะขาดนนแหละนะเพราะนั้นก็พูดให้ฟังกันเห็นว่าสมควรแก่เวลาเรากล้าพาพร้อมกัน